ข้าพเจ้าพระภัยบูนาพ่ปุโนมาพบกับทุกฝังแล้วในอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เรามาพบกันคุยฟังธรรมานั้นทุกๆวันเนี่ยเป็นสิ่งดีในวันหนึ่งหลายๆรอบก็ดีเราจะทํากิ จ, จา ก, การงานอย่างใดสักอย่างใดอย่างหนึ่งใ่ถ้าคนจะเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจทํางานบริษัททํางานส่วนตัวก็ตามในจะทําให้ดีให้ได้มีผลกําไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่า คุณทำดีหรือเปล่าแตนะ่ทำดีไม่ใช่ทำดีเวลาเดียวแตนะ่ในปีหนึ่งอาจจะมีวันที่คุณขายดีที่คุณทำดีในะสักเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึงนะในอาทิตย์หนอาจจะมีวันที่คุณขายดีหรือทำดีสักวันหนึ่งสองวันไม่ได้แต่พนะพุทธเจ้าพูดถึงการที่คนจะจะดีขึ้นมาหมายถการค้าขายการทำธุรกิจอาจจะเป็นขายของในตลาดสดขายของในห้างทำร้านทอง ทำธรุรกิจในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะมีผลกําไรดีขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องทําดีเวลาเช้าทําดีเวลากลางวันทําดีเวลายเย็นทําดีวันหนึ่งวันละสามเวลาด้วยซ้ำานเะช้ากลางวันเย็นให้ทําดีอย่างดีที่สุดเนะไม่ใช่อาทิตย์หนึ่งจะเตรียมการอย่างดีวันดีขายดีอาจจะสักสองสาวันเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แลนะเราต้องคิดใหม่ทําใหม่ในการที่จะทําให้มันดีในะทั้งเช้ากลางวันเย็น เราจะเป็นผู้ที่มีผลกําไรมากฉะนั้นกระชั้นนั้นในเบเ ท, ทียบของการที่เราจะทําสมาธิให้แจ่มแจ้งให้ดีขึ้นมาได้เนี่ยก็พูดถึงทําสมาธิในเวลาช้ากลางวันเย็นในสมาธินี้ก็พูดถึงการหลีกเร่นก็มีนการไปอยู่คนเดียวหรือการแค่ว่าเรามาสังเกตลมหายใจในที่ที่มีคนมากๆอันนั้นเราก็เหมือนกับเราอยู่คนเดียวเหมือนกั น, นการฟังธรรมนี้ช่วยได้นตคนที่จะมุ่งประพฤติกระทําอานาปานสติในตัณห์ฟัง แล้วก็มีการฟังธรรมทรงสุดตะสังสมสุดตะอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นเหตุปจัจจัยที่ที่จะช่วยได้ซึ่งถ้าท่านฟังฟังรายการธรรมารับเรือนอยู่เป็นประจำทุกวันแล้วก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเนี่ยมาทรงสุดตะสังสมสุดตะสุดตะคืออะไรสุตะก็คือธรรมะที่พุทธเาประกาศเอาไว้นะ่ะมีลักษณะที่มีความงดงามในเบื้องต้นนะ่ะท่ามกลางที่สุดนะแสดง อยู่ซึ่งพรหมจรรย์ใ น, นอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในพรอ้อมด้วยอัตตะพร้รอมด้วยพยัญชนะใ น, นเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์ทีนี้ในการทรงสุดตาสังสมสุดตานั้นก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่เป็นสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งโดยจะนําพระสูตรหรือว่าบทเพียันชนะในที่เป็นธรรมะของตาคด มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นวันที่เราแบ่งเอาไว้นะสำหรับที่จะให้ฟัง พ, ดพดุทธพจน์ล้วนๆเต็มๆนะเพราะว่าการที่เราจะกลับไปหาตัวบทเพียงชนะตัวแม่บทนะที่เป็นสิ่งที่เราตรัสเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งดียังไงก็ดีแนะต่ถ้าให้คำพูดนั้นเป็นคำยากเขาถึงจะแปลมาเป็นไทยแล้วจากบาลีเป็นไทยแล้วก็ยังฟังย า, ยากอยู่เป็นภาษาโบราณ แม้แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูกลับไปฟังกลับไปพิจารณากลับไปอ่านใครครวญทบทวนอ่านระหว่างบรรทัดด้วยอ่านระหว่างตัว อ, อักษรด้วยมีความหมายลึกซึ้งอย่างไรแม่นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคือคือมันต้องทําอย่างนั้นเลยละ่ละเนั่องเพราะว่าในในคำสอนในศาสนานี้ในคําสอนในการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบของสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็สอนให้กลับไปหาตัวแม่บทแน่นอน นะัคือผู้สอนมีคนเดียวคือบัพติศชาแตนะ่ตัวเขาเช่าเองนั่นะก็ชัดเจนว่าเราเป็นสาวกนะั่เป็นพระในธรรมะในนี้ต่อให้คุณเป็นโพธิสัตวนะ์นะแต่คุณปรารถนาความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแั่นะคุณอยากเป็นพระเจ้าในเวลาต่อไปคุณก็ยังเป็นสาวกของพระเจ้าองค์นี้อยู่ดังนะ น, นั้นจะมาบัญญัติเพิ่มจะมาแหลมมาเยี่ยมนะั่ว่าฉันเป็นพุระเจ้ายังไม่ได้แต่กนะ็ยังเป็นสาวกอยู่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ในะเรื่องบทเพียรชนะธรรมะ กะต้องกลับไปที่พระเจ้ามีการที่จะต้องมาทบทวนคําสอนทบทวนเรื่องราวอยู่เป็นประจำแม้พระสงค์เองในะการมาทบทวนคําสอนนี่เป็นสิ่งที่ต้องบังคับเลยนะให้มาทําทุก15บห้าวันในะทุกสิบวันเนี่ยพระก็จะมีการมาลงอุโบสถในะการฟังคําสอนในส่วนที่เป็นวินยัยทุก15้าวันต้องทำนะไม่ทําไม่ได้ไม่ทําเป็นความผิดที่ตั้งหาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะอยู่เป็นประจำแล้ว มีเวลาเราก็ไปฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนี่จะเป็นเวลาที่เรารอลิฟต์ขึ้นรถเมย์อยู่คนเดียวเราสังเกตลมใจไปด้วยจะเป็นการฝึกที่ดีนอกจากหน้าที่ของข้าพเจ้าในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็นําสิ่งที่ได้ฟังได้ฟังเนี่ยมาทําให้แจ่มแจ้งด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ในส่วนที่เจริญนิพพาน ใ น, นตอนช่วงก่อนการปรินิพพานก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งคือในในปีนั้นในปีที่ช่วง12เดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะประินิพพานเนี่ยสิหรือ18เดือนเนี่ยในความเห็นข้าพเจ้คิดว่าเป็นปีที่เรียกว่ามหาวิปโยคเหมือนกันนะ เ, เพราะว่าพระพุทธเจ้ามรณภาพ18เดือนข้างหน้านะสมมติประมาณนี้นนในช่วงเวลา12ถึงไม่เกินสิบแปดเดือน ในปีนั้นเองพระสารีบุตรก็ปรินิพานพระมหาโมกขลนะก็ปรินิพานพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สวรรคตและสุดท้ายพระุทธเจ้าก็ปรินิพานเกิดขึ้นในช่วง12เดือนถึง18เดือนนี้ก่อนการที่พระุทเจ้าจะปรินิพานเพราะนั้นก็มีความสูญเสียหลายอย่างทีนี้เราเลยจะมาลำดับขั้นตอนเหตุการณ์ก่อนที่พระุทเจ้าจะปรินิพานเอาไวน้นิดนึง คือในตอนนั้นที่กลางป่านอกนครเวสาลีในตอนนั้นท่านพระสารีบุตรยังไม่ปริิบัติแต่ก็ใก ล, ะละ้แล้วล่ะในในตอนนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสกับท่านพระสาลีบุตรนถึงความที่พระองค์เนี่ยมีความสามารถมีความแตกชานมีความเชี่ยวชาญในธรรมะอย่างมากทีเดียวแตถ้ามีคนมีความเข้าใจว่าคนเราแก่เท่าผมงอกฟันหลุดตัวค้องไปข้างหน้าแล้วนนั้จะพูดจะจ่าอะไรก็เลอะเลือน บางทีเราก็บอกเป็นพากินสันนะเป็นอัลไซเมอร์ลืมตรงนั้นลืมตรงนี้นะพูดไรเลอะเลือนนะคุณอยากคิดอย่างนั้นนะบางคนไม่เป็นใครที่ไม่เป็น ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นคุณอาจจะเป็นแต่พรุทธเจ้ไม่เป็นอย่างนั้นต่อให้แกนะอายุ80 90, 100, ปี90ปีร้อยปีนะมีตัวสันเทอรอะไรต่างๆนั้นะจะมีความเสื่อมจากปัญญาอันเฉียบแหลมม่องไวเนี่ไม่เป็นอย่างนั้น ในผู้เช้าไม่เป็นอย่างนั้นน้ำบทเพียนชนะแห่งถ้อยคําการตอบคำถามจะไม่ได้แปรรวนไปเลยพระเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้ด้วยซ้ําเปรบเทียบกับนายขมังตนูแลกเขาสามารถยิงได้อย่างแม่นยำํำในนี่เราได้พูดถึงเรื่องนายขมังตนูที่สามารถยิงถูกปลายขนสายในระยะหนึ่งอุภาได้ไปแล้วและมีความชํานาญมีความคล่องคล่องขนาดนั้นพระองค์ก็มีความชานาญมีความคล่องคล่องขนาดนั้นเอามา นีพิกสุพิกสุนิวบาสุบาสิกาใครก็ได้เนที่มีคําถามในเรื่องสติปัฏฐาน4มาถามนะถามแล้วจะตอบให้ตอบแล้วทรงจําไว้นะแล้วถามนี่ถามแล้วทรงจำไว้แล้วถามอีกถามคําถามที่2ทรงตอบให้ทรงจําไว้นตอบคําถามที่3ถามคําถามที่3าพระองค์ตอบให้นะสาวกคนนั้นทรงจําคําเหล่านั้นไว้นะทรงจํำแล้วถามคําถามที่4ถามไปเรื่อยๆ ให้คำถามเนี่ยไม่ต้องซ้ำกันคำตอบของพระองค์ก็ยังไม่หมดนั้นบทเพียรชนะในการตอบคำถามก็ยังไม่หมดนะยังมีต่อได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะธรรมะมันไหลออกไหลออกอยู่เรื่อยๆนะนี้เป็นลักษณะของพรชาแล้วนะแล้วก็ให้เป็นอย่างเงี้ยถามเป็นคำถามที่5้าที่6ที่ร้อยที่พันที่มื่นที่แสนให้เป็นเวลาร้อยปีนะอยู่รอยปีถามอย่างเงี้ยอยู่รอยปีไม่ต้องกิน ไม่ต้องนอนน ะ, ะไม่ต้องพักไม่ต้องไปเข้าห้องน้ําไม่ต้องไปถายอุจจาระปัสสาวะใดๆทั้งสิ้นถามกันตอบกันทรงจํำไว้ถามกันตอบกันทรงจําไว้คนนี้เ น, นื่ยแล้วเอาคนใหม่ม า, มาเอาพระเจ้าคนเดียวเนี่ยแหละตอบคนนี้ถามเหนื่อยแล้วเอาคนใหม่มาถามอีกนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ร้อยปีพระเจ้าบอกว่าบทเพียรชนะธรรมเทศนาของตาคดเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่จบไม่สิน้น จะมีอยู่อย่างพรั่งพรูไม่จบไม่สิน้นมีความแจ่มแจ้งในปัญหาของคําถามนั้นอยู่อย่างนี้นะึร้อยปีนะนันมันมีความคล่องแคล่วขนาดนี้นะเอาต่อให้ป่วยนะนอนป่วยอยู่บนเตียงน้อยนะเขาหามเตียงไปอย่างเงี้ยนะเตียงน้อยๆเวลาที่รถพยาบาลมารับแแหงแแหมารับปุ๊บเอาขึ้นเตียงยกไป2คนบ้าง4คนบ้างนะเอาถามคําถามกันอีกก็นะบทเพียนชนะก็ไม่แปรปรวน นะการปฏิปทาปฏิพันธ์ในการตอบคําถามในของพระเจ้าก็ยังไม่แปรปรวนยังมีความแคล่วคล่องมีความเฉียบแหลมฉลาดหลักแหลมว่องไวในสมองของพระเจ้าถึงขนาดนี้แหมถ้าพระเจ้ า, าสามารถเป็นอย่างนั้นได้ก็จะดีมากเลยต้องฟังถ้าแก่ขนาดนี้แล้วมันจะเลอะเลือนห ล, ล, ล, ล ง, ล ง, ห, ลงหลังหน้าหลงหลังแมหมไม่เป็นอย่างนั้นจะดีมากไม่รู้ว่าทําบุญด้วยอะไร เราคงจะต้องสั่งสมบารมีมาเป็นอย่างมากทีเดียวนะก็นี่เป็นลักษณะของพระเจ้าอยู่แล้วนะที่เป็นผู้ที่จะมีธาตุไฟสม่ำเสมอนะไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินนะัพอควรแก่การทำความเพี่ยนนะปัญญาก็มีความเฉียบแหลวมว่องไวเพนะราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการสุขภาพของเราให้มันดีนะก็ต้องคอยควบคุมธาตุไฟนะอย่า ก, กินอาหารมากเกินไปอย่า ก, กินอาหารน้อยเกินไปนะให้มันพอดี แล้วก็การเดินนี่ก็ช่วยให้การย่อยธาตุไฟต่างๆในร่างกายเนี่ยควบคุมได้อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เพิ่มเติมให้อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามในตัวของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังปรากฏมีความแก่อยู่ในที่นี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่อำเภอสาวัตถีนัน ถ, ถ้าใครไดเคยไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีเมืองเขาเรียกว่าสาวัตถีนันที่วัดเชตวันเนี่ย หางไปอีกสักหน่อยหนึ่งนั่นก็จะเป็นวัดบุพารามนันเป็นที่ที่อุบาสิกาท่านหนึ่งสร้างไว้ให้ตอนนั้นพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นนั่ละนั่นท่านพระนนก็เข้าไปถวายงานตามปกติแ ล, แล้วก็ตอนนั้นเห็นสริริลัของพระเจ้าเนี่ยโอ้ทาไมเหี่ยวย่นย่อนยานหน้าตาก็เปลี่ยนไปหูก็เปลี่ยนไปนั่นคือมีความเหี่ยวความย่น มีริ้วรอยอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เลยถามนั่นพระเจ้าก็เลยตอบให้ว่ามันก็ธรรมดานั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มห ม, ม, มายความว่าไงไม่ความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นจเปนเด็กทารกที่อยู่ในครรน่ะเขาจะคลอดออกมานเนี่ยก็บอกคันแก่น่ะมันแก่และ เด็กทารกแก่จากทารกขึ้นมาก็เป็นเด็กเดินเตาะแตะแก่จากเด็กเดินเตาะแตะขึ้นมาก็เป็นเด็กวัยรุ่นแก่จากเด็กวัยรุ่นก็เป็นผู้ใหญ่เซลล์ต่างๆในร่างกายก็แก่ก็ตายไปเสื่อมไปความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตในที่เราเป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีอะไรตายในร่างกายของเราเล็บคุณยาวไหมผมคุณยาวไหมคุณถูตัวมามีขี้ใครายไหมนั่นคือเซลล์ของคุณเนี่ยในร่างกายมันตายออก นะมันตายออกเปลี่ยนเป็นเล็บตายออกเปลี่ยนเป็นขี้ไครนะคุณอุจจาระออกมาโ อ, อ้ก็มีอะไรตายเต็มออกมาเยอะแยะไปหมดผูกจุดอินทรีย์บ้างเซลล์บ้า ง, างสารประกอบต่างๆบ้างก็ตายออกมาหลุดออกมามันจึงมีซ่อนอยู่ในชีวิตแต่เนมะื่อไหรที่เซลล์มันาตายเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งขั น, ม, นมันฟอร์มตัวกันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันยึดกันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยอันนั้นคือชีวิตเราก็จบไปันะจิตมันก้าวลงในวิญ ญ, ญาณในไก่นี้ไม่ได้ แล้ก็ตายจากกายนี้ไปก็ไปเกิดใหม่ถ้าเหตุของการเกิดนั้นยังมีอยู่หรือแม้แต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยที่ความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคเราสบายดีเดินเหนินได้คล่องแคล่วมีกําลังวังชาไม่ใช่ว่าในร่างกายเราไม่มีเชื้อโรคแต่มีอยู่แต่แต่ว่าเชื้อโรคนั้นมีอยู่ในปริมาณน้อยเ น, นี่ยต้องมีระบบกําจัดเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาเนืเชื้อโรคก็เจออยู่ในร่างกายตลอดเวลา มันมันเป็นธรรมดาเวลาที่เชื้อโรคมันฟูขึ้นมาเยอะขึ้นมานะอาการป่วยมันก็เห็นขึ้นมานะแต่ไม่ใช่ว่าเชื้อโรคไม่มีมีอยู่แตนะ่ต่อให้ห้องปลอดเชื้อขนาดไหนนะจำนวนเชื้อโรคก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยลงเพรา ะ, ะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าความชราเนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มในคนหนุ่มๆก็ให้เห็นความชราด้วย นะความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคถ้าเราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเราก็ให้ระลึกถึงด้วยว่าเออเรามีเชื้อโรคอยู่ในกายของเราแตนะเรายังมีชีวิตยอยู่เดินหนได้คล่องแคล่วแล้วก็ให้เราลึกถึงด้วยว่ามันมีการตายอยู่ในกายของเราถ้านะเราระลึกถึงอย่างนี้จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะแล้วก็เตือนท่านพระนนท์นนะบอกว่าความแก่เนี่ยมันมันทำให้กายเนี่ยย่ำายีกายอยูอย่ตลอดเวลา นะอันทําความชั่วช้าอันทาความน่าเกลียดให้เกิดขึ้นกายที่น่าพอใจนี้ก็จะถูกความแก่นี้ย่ำยีหมดแตนะ่ไม่ว่าใครจะมีชีวิตอยู่ร้อยปีหนะึ่งนระ้อีนัิบเกินกว่านั้นก็มีบ้างน้อยกว่านั้นก็มีบ้างแตนะ่ก็ยัง ม, มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้านะความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆแต่มันย่ํำยีหมดทุกคนคุณจะากองทหารมาห้อมร้อมมาไว้เอาหมอมารักษาไว้มีมาหาอมาตย์ผู้มีมน เนี่ยใช้เงินยัดนล้วมันยัดไม่ได้ยัดพญ า, ามาจุราชยัดความตายนะ่ยไม่ให้มันมาเอาชีวิตรเรามันไม่ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่พระเจ้าเองนะีสมณโคดมเกิดมาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ชนบรรนมากเนะี่เพื่อเกื้อกูลเพื่ อ, อนุเคราะห์มหาชนก็ยังต้องตายนะตายในที่นี้หมายถึงอะไรนะตายในที่นี้หมายถึงว่ากายเนี่ยก็ต้องถึงความที่ถูกย่ำยีเีนะ่ด้วยความแก่ด้วยความตาย ในแต่ใจน่ะเป็นอมตะแล้วน่ะเป็นอมตะตั้งแต่ตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพน่ะตอนคืนในการตรัสรู้นั่นเองน่ะใจนั้นไม่ไปเกิดไม่ไปตายน่ะเพราะเหตุแห่งการเกิดและการตายนั้นถูกดับไปนะ่ะพุทธเจ้าก็นิยามตรงนี้ว่าเป็นอมตะนั่นเองในะแต่กายที่มีแล้วนะ่ะมีมาแล้วจากวารเกิดน่ะจะเป็นของพระองค์ก็ตามเป็นของเหล่าพระอรันสาวกทุกรูปก็ตามน่ะก็จะต้องถึงความแตกดับไปเป็นธรรมดาและในช่วงที่พุทธเจ้า หนะลังจากตรัสรู้แล้วนะํามาบอกสอนสั่งสอนเนี่ยก็ได้สอนไว้ครบถ้วนหมดนะัสอนไว้ครบถ้วนหมดนี่หมายความว่างไงสอนจนกระทั่งว่าไม่มีกํามือในธรรมะเนะื้อคือธรรมะที่ยังกําไว้ไม่เปิดเผยให้ดูนะําบอกหมดทุกอย่างอะไรที่บอกหมดนะื้คือสิ่งที่จะสามารถเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้ำนิพานสิ่งอะไรก็าตามที่จะเป็นไปเพื่อความเบื่อนไหนใครความคลายกําหนัดบอกไว้หมด แตนะสิ่งที่ไม่ได้บอกก็มีเนะียเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบความรู้ที่ว่าองค์รู้เนี่ยเท่ากับใบไม้ในต้นสีสปาแตนะ่มันเยอะมากตอนนั้นฤดูฝนเนะียเคยหยิบใบไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นกับติดอยู่บนต้นมาเนะี่ยเราก็เปรียบเทียบให้ฝังว่าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยมีแค่เท่าใบไม้ในกำมือแตนะ่สิ่งที่ยังไม่ได้สอนเนี่ยมีอีกเยอะแยะทําไมอ่ะทำไมพวกนั้นไม่สอนเพราะพวกนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกาหนัด ความดับความระงรับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนิพพานแต่จนะสอนเฉพาะสิ่งที่เป็นไปเพื่อความดับแลนะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อนิพพานนะสอนเฉพาะสิ่งนีนะ้สอนไว้อย่างละเอียดครบถ้วนโดยซ้ำนะเราดูที่ยังไงนะเพราะว่าดูที่ผู้ที่จะประกาศตามนะผู้ที่จะหมุนตามธรรมจักที่พระองค์หมุนเอาไว้ผู้ที่จะบอกสอนตามนี่ยมีไหมนะก็มีอยู่ พรพุาพูดถึงภิกษุผูเ้เถระนัผู้ที่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ฉลาดนะเข้าใจในธรรมะของพระองค์นะสามารถที่จะตอบปัญหาข่มขีปรับปรับว่าถ้าอันเป็นข้าศึกให้รับคาบโดยธรรมไดนะ้เป็นผู้ที่มีความฉลาดมีความกล้ากล้านะมีการทำจริงเป็นธรรมบอกธรรมบอกวินัยได้นะแสดงธรรมอย่างน่าสะใจได้นะมีอยู่นะถ้ามีภิกษุเหล่านี้อยู่เนี่ยถือว่า ประกาศไว้อย่างละเอียดละถือว่าพรหมจรรย์ น, นี้ค่อนข้างมั่งขั่งเนินะจเจริญรุ่งเรืองละในะมีทั้งภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาในะที่ที่สามารถที่จะบอกสอนสัตยธรรมเข้าใจธรรมะในระดับนี้ได้มีความกล้าหาญใะมีความแกล้วกล้าตรงนี้นั่นก็เป็นเกณฑ์อันหนึ่งในการวัดสมัยนี้ยังมีไหมในภิกษุผู้มีความแกล้วกล้าในะมีความเด็ดเดีนะ่ยวมีความห้าหานบรรลุทำนะมันเป็นเครื่องกเกษมจากโยคะ นะ่ะตอบปัญหาได้อย่างฉะฉานคมขีปรับถ่อยคํามันเป็นค่าศึกได้นะ่ะมีอยู่เรายังเห็นอยู่นะักครูบาจารย์ที่บอกสอนพระสธรรมแลนะมีความเด็ดเดี่ยวปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ผู้เดียวเหนะือร้องไห้อยู่ท่ามกลางป่าอยู่ท่ามภูเขาอดทนในการที่บรพพุธพรหมจันทร์แม่นึกถึงบุคคลเหล่านี้ทีแไหนมันก็มีความชุ่มชื่นใจนะแล้วก็ท่านาท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะตอบปัญหาแสดงความ จมแจ้งในธรรม ต, ต่างๆได้มีอยู่นะาศาสนาคําสอนนี้ยังมีอยู่นะตกทอดมาอย่างไงก็ไล่มาเนี่แหลนะน่จากภิกษุที่เป็นประเภทนี้รุ่นก่อนหน้านั้นแลนะเขาเอามาจากไหนอีกก็จากภิกษุประเภทที่มีความกล้ากล้ามีความกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวนะสามารถคมขี่ปรับว่าถ้าเป็นข้าศึกได้นะรุ่นก่อนหน้านั้นนะเอามาจากไหนอีกก็ก่อนหน้านั้นอีกนะเรานะั้นเอามาจากไหนก็มาจากพุทธชานั่นเอง นะเป็นแบบอย่างแห่งความกล้าหาญความกล้าวกล้าความเด็ดเดี่ยวนะความที่จะสามารถที่จะข่มขนะีประบาทธรเป็นค่าศึกให้ราบคาบโดยธรรมไดนะ้แสดงธรรมด้วยความน่าสัจจร้ด้นั้นะดีมากพะอย่างนี้แล้วก็ให้สบายใจว่าเหมือนกับบุริเา้ายังอยู่กับเรานะร่างกายนี้ปรินิพานไปก็จริงนะแต่ว่ายังอยู่กับเรานะคาสอนนั้นนะคุณธรรมนั้ น, น, น ไม่ได้ออกไปด้วยนะักคุณธรรมมีความห้าวหาญมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าๆทาจริงแน่วแน่จริงนะ่ะมีความฉลาดหลักแหลมมีปัญญามีความเมตตากรุณานะยังอยู่กับเราเรื่องราวต่างๆนั้นอยู่ในตําราเนี่แหละนะ่ะเรามาอ่านทําความเข้าใจเอาคุณธรรมนั้นมาส่งไว้ในใจแล้นะวก็เหมือนกับพระพุทเจ้าอยู่ใกล้เรานั่นะต่อให้เราไกลจากพรนะุทเจ้านทั้งระยะทาง นอูอินเดียพี่เจ้าอยู่อินเดี ย, รยเราอยู่เมืองไทยนั่งเครื่องบินก็ต้อง3ามชั่วโมงนะและยังไกลด้วยเรื่องเวลาด้วยนาทามาชีนสมัยนี้ก็ไม่มีจะย้อนเวลาไปก็ไม่ได้นะแ ต, ต่อให้ย้อนเวลาไปได้บางคนอาจจะมีเครื่องรู้ก็ไม่ได้เอาตัวนี้ไปด้วยได้เราก็แค่รู้เฉยๆแล้วก็ก็ไม่ได้อยู่ไกลกันนะถือว่าอยู่ใกล้กันดังเพราะว่าใจที่มีลักษณะนี้ถ้าเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวาย ละนิวรณได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอรมณ์เดียวนัอยู่ใกล้บุริชาแล้วไม่ต้องกังวลแต่ที่เอาเรื่องราวในการปฏินิพพานมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อที่ให้เป็นข้อมูลในะให้เกิดความสังเวชในะให้เกิดความสลดใจว่าแม้บุริชาติมีความยิ่งใหญ่มีลักษณะมาบุตรสามสประการมีความเจริญความหล่อเหลาอาการต่างๆกายก็ยังเสื่อมกายก็ยังต้องแตกตําลายไป แล้วในเรื่องราวของการแต่งทำายรงกายนั้นก็ไม่ใช่ว่าผู้เช่าเราไม่ป่วยแต่ก็ยังป่วยนป่วยด้วยโรคที่เขาเรียกว่าปักกันทิ่กาพัดจะมีคนแปลในลักษณะที่ว่าเป็นโรคตกเลือดหรือว่าโรคถ่ายไม่หยุดอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าจะแปลในลักษณะไหนแต่ว่าป่วยแน่ล่ะป่วยด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งที่ภาษาบาลีก็ใช้ว่าปักกันทิ่กาพาธแล้วก่อนที่จะปริณฑิ์ผ่านนั้น แ, แม่ก็ยังบอกสอนอยู่อย่างไม่หยุดนะไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะเช่นว่าจากเมืองสาวถีเนี่ยก็ยังเดินทางไปตามเมืองนาลันทานะไปหมู่บ้านต่างๆนะก่อนที่จะไปถึงเมืองเวสาลีนะเป็นจุดที่พระองค์นั้นปรองอายุสังขารนะพอปรองอายุสังขารแล้วอีกสามเดือนจะปฏิพันธะ์ก็ ย, ยังเดินทางต่อไปนะที่ไหนเราจะเป็นที่ปฏิพันธะ์ก็ไปที่ ป่าหมาวันก่อนนะผ่านไปอีกยังอยู่ในเขตเมืองเวสาลีเนี่ก็ไปเมืองปาวาเนี่ยจนกรั้งถึงเมืองกุสินาระเนี่ยเป็นที่ดีโปร่งเจริญนิพพานในตอนนั้นเนะในเหตุการณ์ที่เดินทางไปน่ยตามเมืองนาลันทาบ้างเมืองปาวาเมืองเวสาลีอะไรต่างๆนี่ยเนีก็เจอพิกษจต่างๆเยอะแยะนี่บอกสอนบ้างอะไรบ้างแต่ท่านพระอนุนเนี่ยแหมก็ยังจะอุศาสบอกให้วุฒิเจ้าตรัสเรื่องสําคัญอีกสอนอีก นะอย่าพิ่งบวดดนปริพันธ์ต่างๆแต่ผนะูเช้าก็บอกว่าโอ้จะเอาอะไรอีกนะสอนหมดแล้วนะไม่มีอะไรที่ไม่ได้บอกแล้วนะบอกไว้หมดนะไม่มีกรรมมือในธรรมะคือธรรมะที่อย่างไม่ได้เปิดเผยให้ดูนะคําสอนเหล่านั้นก็ทรงจํากันมาทรนะงจํากันมามีการลงอักษรมีการลงบทเพียนชนะเอาไว้ะมีข้อมูลต่างๆอยู่ในพระไตรปิฎกบ้างนะเราก็เอามาศึกษาตรงเนี้ก็ชื่อว่าเรา เราเป็นผู้รับมรดกโดยธรรมนะท่านมรดกโดยธรรมนี่ไม่ใช่ว่ารับหนังสือมานะไม่ใช่แต่ว่าเอาความรู้ของท่านต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนเป็นความรู้ของเขานะเอามาส่งไว้ในใจของเรานะมาให้มาเป็นความรู้ของเราการเอามาส่งไว้ในใจนะให้มันเป็นความรู้ของเราเยไม่ใช่แค่จาได้แต่แต่เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาปรับเป็นความรู้ของเราความรู้ของเรานี่ไม่ใช่ว่าเราขโมยธรรมะนะคือเหมือนเอาตรงสิ่งนี้มาแล้วบอกอันนี้ฉันทํา อันนี้ฉันสร้างอันนี้ฉันรู้อันนี้เป็นธรรมะของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เรียกว่ากล่าวตู่ธรรมะขโมยธรรมไม่ใชนะ่หรือว่าเราเอามาจําไว้นะจําได้ไม่เรียกว่ารูนะ้แต่การรู้นี้คือการเข้าใจนะให้มันเข้าไปในใจนะให้ปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเขาอธิบายไว้อย่างนี้เอาเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่านี่เรียกว่าเอาธรรมะนั้นมาเข้าสู่ใจเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้ว เราทรงไวในใจแล้วอันนี้ก็เรียกว่าตรัสรูตามได้นะมีโพธิมีพุท ธ, ธะเกิด ข, ขึ้นคือความรู้แจ้งแจ่มแจ้งในใจนะให้เป็นผู้ที่รับมรดกโดยธรรมของพระเจ้าอย่างนี้นะอมิสทายาทนะอย่าให้เป็นนะอย่าอย่าไปคิดว่าเราจะรับมรดกเฉพาะสิ่งเข้าของเช่นพระาธาตุพระเจ้านะหวังว่าเออฉันจะมีพระาธาตุเก็บไว้ตรงนั้นอย่างนี้หวังว่าพระาธาตุมันจะเพิ่มขึ้น นันเป็นอมิสตาญาต์นนเป็นของอมิตรที่ที่ดลงหลงเหลืออยู่แต่ให้เป็นธรรมตาญาตินนเป็นธรรมตาญาตที่จะรับบารดกโดยธรรมธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนก็นธรรมะนั้นก็อยู่ที่ใจของเราเนเองทําใจของเราให้มีธรรมะต่างๆเกิดขึ้นมีศรรมีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้บอกท่านพระนนว่าจะยังหวังอะไรในเราอีกธรรมะเราแสดงแล้วไม่ได้ขาดระยะ นะ่ยไม่มีอื่นนอกจากที่แสดงแล้วแตนะ่ยังเปรียบร่างกายของพระองค์เนี่ยเป็นเหมือนกับไม้ไผ่เป็นรถที่คล่าคล้าเนี่ยแล้วก็ป ะ, ท, ะ, ปะท่าปะทังไว้ด้วยไม้ไผ่แตนะถ้าเป็นปัจจุบันนี้อาจจะนึกถึงรถปโปรทังนะท่านฟังเนีจะหลุดไม่หลุดแลนะีขึ้นจะนิมทั้งคันนะเขเอาเทปกาวปะเอาไว้ไม่ให้กันชนมันหลุดนะกระจกนี่ก็แบบว่าแตะแตะกันเอาไว้เท่านั้นเองนะประตูนี่ก็เพรเยอะว เ, เยอะอยู่ลนะในเป็นรถปโปรทัง นะครับไปก็บึมบมๆึมบมมีควันออกท้ายนะกระโปรงหน้าก็จะเปิดปิดหรือไงปิดไม่สนิทในะลักษณะรถบโบรทั้งในะเปลือกร่างกายของโรงเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเะนื่อพรร่างกายมันเป็นอย่างนี้จะมาจะมาเอาอะไรอีกกับร่างกายอย่างนี้ก็ถ้าพูดในลักษณะบ้านเราก็คือว่าโอ้ยฉันแก่ปานนี้จะมาเอาอะไรกับฉันอีกเหนะมือนกันครูบาอาจารย์ที่แก่แล้วนะห้แม้เราจะไปถามคําถามธรรมะที่ลึกซึ้งงทีท่านก็ยากที่จะตอบบางทีท่านป่วยบางทีท่านเหนื่อย ควรที่จะจะให้ท่านพักบ้างนะในลักษณะนั้นหลว่อเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้ในเรื่องราวของการก่อนการปริญญาผ่านแต่ถ้าเัียงมีคําถามข้อสงสัยใดๆในในว่าจะเป็นเรื่องของพุทธประวัติก็ตามเรื่องของสิ่งต่างๆที่ในธรรมะคาสอนพรุทธเจ้าหรือว่าการที่เราจะนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั้นก็สามารถเขียนมาได้แต่ตอนนี้ร่างกายของข้าพเจ้ายังยังมีชีวิตอยู่ยังยังไม่โปรโทั้งแต่ยังพอที่จะ ตื่นเช้ามาบันทึกรายการให้ท่านฟังฟังได้พูดแล้วยังมีเสียงออกมาอยู่ยังมีความจํายังมีสมองที่ทํางานได้ดีอยู่เทวดาทูอาจจะปรากฏขึ้นบ้างนะมีกายเหี่ยวบ้างมีผมหงอกบ้างแต่ก็ยังทํางานได้อยู่แต่ถ้าต้องการติดต่อกันมาก็เขียนจดห ม, มายมาเลขที่1หมู 8, ่8ปดตะบนดอนไฮโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรายไพรษณียสี่หนึ 30, หรือเว็บไซต์เพียวธรรมะดอทวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ เริ่มพั